Book two. Kao e David. a n Navy t e d n a One Jan. Ponadalek. One, One Angkan. Torek. วันพุธศรีดาวันพฤหัส บ, บดีชตเอร์เทควันศุกร์พีเทควันเสาร์โซโบตวันอาทิตย์เนเดลยย สัปดาห์อาทิตย์ที่เดนตั้งแต่วันจันถึงวันอาทิตย์อัตพนเดลค่ะโดเนเดลเลวันที่หนึ่งคือวันจันเอร์วิดนันเย่พนเดลเล่กวันที่สองคือวันอังคาร ดรูกีดยทอร์วันที่สามคือวันพุทธทรีท ด, รดานเยเสรวันที่สี่คือวันพฤหัสบดีเจทยเทยเทวันที่ห้าคือวันศุกร์ แพตตี้ดนานเยปีเต็วันที่หกคือวันเสาร์สตี้ดนานเยสบอตวันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ซดมีดนานเยเนเดเลียหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน เดอมซดมดเราทำงานเพียงห้าวันเดลาม่ซามเพ็ดด